2องอุปนันทะสักยะปุตตะวัตถุว่าด้วยพระอุปนันทะสักยะบุตรเรื่องพระอุปนันทะจำพรรษาแล้วไปอาวาสใกล้บ้าน364สมัยนั้นท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรจำพรรษาอยู่ในกรุงสาวัตถี ได้เดินทางไปอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่งภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นประสงค์จะแบ่งจีวรจึงประชุมกันกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพวกภิกษุจะแบ่งจีวรของสงเหล่านี้ท่านจะยินดีส่วนแบ่งไหมท่านพระอุปนันทะตอบว่าท่านทั้งหลาย ผมขอยินดีส่วนแบ่งด้วยได้รับส่วนจีวรจากอาวาสนั้นแล้วเดินทางไปอาวาสอื่นแม้พวกภิกษุในอาวาสอื่นนั้นก็ประสงค์จะแบ่งจีวรจึงประชุมกันแม้พวกพิกษุเหล่านั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่าท่านพวกภิกษุจะแบ่งจีวรของสงเหล่านี้ ท่านจะยินดีส่วนแบ่งไหมท่านพระอุปนันธะตอบว่าท่านทั้งหลายผมขอยินดีส่วนแบ่งด้วยได้รับส่วนจีวรจากอาวาสนั้นถือจีวรห่อใหญ่เดินทางกลับไปกรุงสาวัตถีตามเดิมภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าท่านอุปนันธะ ท่านเป็นผู้มีบุญมากจีวรจึงเกิดขึ้นแก่ท่านเป็นจำนวนมากท่านพระอุปนันทะกล่าวว่าท่านทั้งหลายผมจะมีบุญมาจากไหนกันผมจำพรรษาอยู่ในกรุงสาวัตถีนี้ได้เดินทางไปอาวาดใกล้บ้านแห่งหนึ่งพวกภิกษุในอาวาดนั้น ประสงค์จะแบ่งจีวรจึงได้ประชุมกันพวกภิกษุเหล่านั้นกล่าวกับผมอย่างนี้ว่าท่านพวกภิกษุจะแบ่งจีวรของสงเหล่านี้ท่านจะยินดีส่วนแบ่งไหมผมตอบว่าท่านทั้งหลายผมขอยินดีส่วนแบ่งด้วยได้รับส่วนจีวรจากอาวาสนั้นแล้ว เดินทางไปอาวาสอื่นแม้พวกภิกษุในอาวาสอื่นนั้นประสงค์จะแบ่งจีวรจึงประชุมกันแม้พวกภิกษุเหล่านั้นก็กล่าวกับผมอย่างนี้ว่าท่านพวกภิกษุจะแบ่งจีวรของสง์เหล่านี้ท่านจะยินดีส่วนแบ่งไหมผมตอบว่า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 ท่านจะยินดีส่วนแบ่งไหมผมตอบว่าท่านทั้งหลายผมขอยินดีส่วนแบ่งด้วยได้รับจีวรแม้จากอาวาสนั้นจีวรเป็นจำนวนมากจึงเกิดขึ้นแก่ผมอย่างนี้พวกภิกษุถามว่าท่านอุปนันทะท่านจำพรรษาในวัดหนึ่ง แล้วยังยินดีส่วนจีวรในวัดอื่นอีกหรือท่านพระอุปนันทะกล่าวยอมรับตามนั้นบรรดาภิกษุผู้มักน้อยละตําหนิประนามโพนธนาว่าเไหนท่านพระอุปนันทะสากยบุตรจําพรรษาในวัดหนึ่งจึงยินดีจีวรในวัดอื่นอีกเล่า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 ครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุจำพรรษาในวัดหนึ่งแล้วไม่พึงยินดีส่วนจีวรในวัดอื่นอีกรูปใดยินดีต้องอาบัตทุกกฎ